โอวาทที่สามว่าไปแล้วนะต่อไปโอวาทที่สี่ว่าสงจงลงพรหมทานแก่ชันนะพิกษุโดยล่วงไปแห่งเราหมายเขามาเมื่อพระองค์ปรินิพานแล้วให้ลงพรหมทานแก่พระชนะันนะพระนนก็กราบทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็พรหมทานนั้นเป็นไงนะหมายพรหมทานเรียกว่าโทษโทษของผู้ประเสริฐเนี่ยนะเป็นการลงโทษฐานะตัวนั้นแปลว่าการลงโทษพรก็คือประเสริฐ เป็นการลงโทษอย่างประเสริฐสูงสุดเนี่ยคืออย่างไรพระองค์ตรัสว่าฉันนะพิกษุเนี่ยนะพระภิสษุรูปอื่นๆเนี่ยฉันะพิสูจถ้าหากว่าเธออยากพูดอะไรก็ให้พูดไปพูดอย่างที่ใจเธออยากพูดภิกษุทั้งหลายไม่ต้องไม่ต้อ ง, องว่ากล่าวตักเตือนไม่ต้องโอวาทไม่ต้องสงั่งสอนเขาอยากทําอะไรเข้าไปเข้าไปอันนั้นแหละเรียกว่าเป็นการลงโทษอย่างสูงสุดแล้ว เนีนะครับว่าเป็นการลงโทษแหมมันจะอะไรจะหนักขนาด น, นี้ไม่มีอีกแล้วเพราะว่าก็จริงอย่างนั้นนะท่านนนเนี่ยไปบอกพระฉันนะว่าเอ่อตอนเนี้สงลงพรหมมาท่านแก่ท่านแล้วนะบอกพรหมมาท่านคืออะไรก็คือท่านอยากพูดอะไรท่านก็พูดพมันสงไม่ต้องโอวาทเน้นําสั่งสอนท่านอยากทําอะไรก็ทําตามสบายเป็นลมเลยเนี่ยนะพระชนะเป็นลมเลยนะท่านรู้เลยสลบเลยเนี่ยนะเฟินมานี่แหมท่านทุกข์มากตอนหลังท่านก็มาปฏิบัติเนี่ยนะ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 ในวิเนัยของพระอาเรียเจ้าสอนแบบที่เรียกว่าละมุน ล, ละ ม, ม่อมก็สอนแต่เรื่องดีอย่างเดียวทำดีทำอย่างนี้กายสุจริตปฏิบัติอย่างนี้วจีสุจริตปฏิบัติอย่างนี้มโนสุจริตปฏิบัติอย่างนี้จงเจริญสิ่งนี้สิ่งนี้นมีคูณนานิสง์มีประโยชน์อย่างนี้ปฏิบัติตามเธออันนี้เรียกว่าสอนแบบละมุน ล, ละ ม, ม่อมแบบแหมอ่อนโยนมากกับอย่างที่สองก็บอกว่าแหมสอนแบบรุนแรงเนี่ยนะเผ็ดร้อนก็คือบอกว่าไอ้เผ็ดร้อนไม่ใช่ไปด่าเข้านะ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 ดูเดือดแล้วว่างั้นแบบแม้หนักหน่วงรุนแรงนะนะสอนแบบรุนแรงบางทีบางคนก็ต้องสลับควบคู่กันไปส่วนบางคนที่สายกลุ่มสุดท้ายเนี่ยไม่รู้ใช้คำว่าเปิดคัมภีร์ไหนสอนก็ไม่ได้ไม่รู้จะเปิดคัมภีร์ไหนสอนก็เงียบอย่างเดียวเลยนะอันนี้พูดถึงตรงนี้กันนึกถึงกันนะบางทีเขามาเองก็เคยเหมือนกันนะอุ้ยนึกถึงนั่งทะไตรปิฎกมีทั้งเป็นตู้ๆนะไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรเ น, นะนี่ยนะเงียบเนี่ยนะเขามาเงียบกว่าเป็นนะอย่าคิดว่าพูดเป็นอย่างเดียว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 เป็นลูกหลานพระช น, นะตอนที่ยังไม่ตรัสรู้เนี่ยนะแต่พระช น, นะท่านยังมีสามัญยสัมนึกมีมโนสํานึกมีจิตตสํานึกสามัญยสํานึกสมณสัญญามีสัญญาที่รอบรู้ในคุณของพระรตนะไตรเป็นอย่างดีท่านเป็นผู้ที่มีหีริโอตปะอย่างแรงกล้าจึงเป็นผู้ที่คู่ควรที่จะตรัสรูม้มรรคผลนะแทงตลอดพระนิพพานนัน้นถ้าหากว่าพวกเราทั้งหลายเมียธยาสายที่เรียกว่าคำสอนเข้าไม่ถึงใจเราเนี่ยนะ ก็แสดงว่าหนักหนาสาหัสหนักมากเนี่ยนะคู่ควรแก่กรุณาเป็นอย่างยิ่งในสมัยใหม่เนี่ยได้ข่าวว่าไก่ถูกเชื้อเนี่ยนะถ้าหากว่าเราเนี่ยไม่ได้ตรัสรู้ทำอะไรเลยเนี่ยนะใจของเราห่างคําสอนเลอกเกิน น, นะนะจะไปไหนเนี่ยนะพวกนั้นจะเป็นบรรพบุรุษของเราต่อไปเนี่ยไม่ไม่ได้ครู่ไม่ได้ตําหนิไม่ได้อะไรนะเล่าให้ฟังว่าเออเนี่ยถ้าไม่เป็นพระโสดาบันจะไปไหนก็นไปสู่อบายทุกติวินิบาต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 จากภพหนึ่งสู่ภพหนึ่งจากชาติหนึ่งสู่ชาติหนึ่งจากคติหนึ่งสู่คติหนึ่งจากอุบัติหนึ่งสู่อุบัติหนึ่งจากวิญญาณทิติอย่างหนึ่งสู่วิญญาณทิติอีกอย่างหนึ่งจากสัตววาสหนึ่งสู่สัตววาสหนึ่งก็แบ่งเป็นสามสิบเอ็ดภูมิเนี่ยนะมันเลยระดับสูงก็หายากเพราะอะไรก็ดูจากคุณธรรมทั้งหลายจะไปไหนคระนี้เพราะะฉนั้นถ้าหากว่าเราไม่ใส่ใจในคําสอนเราก 1, ็คู 1, ่ควรแก่การ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 ปฏิบัติอยู่ในวิสัยแห่งมารทั้งหลายผู้ที่ปฏิบัติอยู่ในวิสัยแห่งมารก็คือขันธมารก็พาไปสู่ชาราและมรณะกิเลสมารก็นําไปสู่ชาติเนี่ยนะก็ชาติชารามรณะโศกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปาญาต้น้ําตาก็จะท่วมท่วมอะไรท่วมโลกว่างั้นนั้นน้าตานี้จะท่วมโลกกระดูกกองโตกับแผ่นดินอีกเพราะอะไรเพราะ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 ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นก็คือใครคือภิกษุประมาณ500รูปที่อยู่ในวงม่านเรียกว่าเป็นเรียกว่าคนในเนี่ยนะแบบเป็นหัวหน้าเป็นขสังขไทระที่เป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะใหญ่เนี่ยนะรวมกันอยู่ภายในม่านประมาณ500รูปซึ่ง500รูปเหล่านั้นพระองค์ก็บอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายความสงสัยความเคลือบแคลงในพระพุทธเจ้าความสงสัยความเคลือบแคลงในพระธรรมความสงสัยความเคลือบแคลงในพระสง์ ความสงสัยหรือเคลือบแคลงในมัดทั้งหลายซึ่งเป็นข้อปฏิบัติให้บรรลุพระนิพพานหรือสงสัยในข้อปฏิบัติเพิ่งมีแก่พิกษุรูปใดรูปหนึ่งพวกเธอจงถามเธออย่าได้มีความร้อนใจในภายหลังว่าพระาศาสดาอยู่เฉพาะหน้าเราแล้วเรายังไม่อาจจะทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าเฉพาะที่พระพัก เ, เฉพาะพระพักเฉพาะหน้าเนี่ยนะ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 ดูก่อนพิสูจทั้งหลายถ้าหากว่าความสงสัยเคลือบแคลงในพระพูธพระธรรมพระสงฆ์ในมรรคหรือในข้อปฏิบัติจะเพิ่งมีแก่พิสูจแม้รูปหนึ่งพวกเธอจงถามเธออย่าได้มีความเดือดร้อนใจในภายหลังว่าพระาศาสดาอยู่เฉพาะหน้าเราแลว้วเรายังไม่อาจจะทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าที่เฉพาะพระพักตร์ตอนหน้าก็ยังไม่กล้าถามอย่าต้องเสียใจอย่างนี้เลยแม้ครั้งที่สามพระองค์ก็เปิดโอกาสให้อีกประกาศอย่างนี้อีกเป็นครั้งที่สา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 เพราะฉะนั้นแม้พิสษุผู้เป็นสหายก็จงบอกแก่พิสุผู้เป็นสหายเถอะถ้ามีเพื่อนนะฝากเพื่อนถามก็ได้ไม่ต้องถามเองฝากเพื่อนเ็าถามถ้าไม่กล้าถามเองเฉพาะหน้าเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วพิสูุเหล่านั้นก็พากันนิ่งอย่างเดียวเงียบเนี่ยนะไม่กล้าตอบไปเลย ซึ่งที่ท่านเพราะท่านไม่มีความสงสัยจริงๆทั้งหมดเหล่านั้นไม่มีแม้แต่องค์เดียวที่สงสัยซึ่งท่า น, ท, านท่านนก็กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน่าอัศจรย ร, รย์เนี่ยกระอัจฉริยะอัจฉริยะแปลว่าน่าอัศจรรย์มากอภูตธรรมไม่เคยมีมาแลว้วเป็นเรื่องที่ไม่เคยมีไม่เคยพบไม่เคยเห็นไม่เคยพบปะเจอเจอขนาดนี้ว่างั้นเถอะ